อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ564 1้ิพิกษุทําใหม่เมื่อใช้ครบ6ปี2อพิกษุทําใหม่เมื่อใช้เกิน6ปี3าพิกษุทําเองหรือใช้ให้ทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 4. ีพิกษุได้สันทัดที่ผู้อื่นทําไว้มาใช้สอย 5. าพิกษุทําเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกมอน6กพิกษุ ผู้ได้สมมุติ 7. ภิกษุวิคลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติฉพัดสาสิกาบทที่ 4. จบ